เหตุการณ์ที่บีจะเล่าต่อไปนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นวัดแห่งหนึ่งและก็เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณกุ้งเนี่ยก็มีงานที่จะต้องไปแสดงลิเกยอยู่แถวจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งก็จะมีการจัดทั้งคอนเสิร์ตเอ่ยทั้งริเกเอ่ยแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ค่ะทีมงานตั้งเวทีค่อนข้างแปลก เพราะว่าไปตั้งตรงหน้าเมนเผาศพพอดีโดยหันหลังให้กับเมนเผาศพค่ะการแสดงดำเนินไปตามปกติจนกำลังจะถึงช่วงออกคอนเสิร์ตพอเอินว่าวันนั้นเนี่ยมีนักร้องรับเชิญมาท่านหนึ่งนักร้องท่านนี้ก็มาเตรียมตัวขึ้นร้องเพลงค่ะแต่ว่าเกิดปวดท้องเบาก็เลยได้ไปขอปัสสาวะก่อนขึ้นเวที ผ่านไปประมาณ2นาทีเนี่ยฮะนักรองรับเชิญท่านนี้เนี่ยเดินกลับมาด้วยท่าทางตื่นกลัวหน้าซีดมีเหงื่อผุดขึ้นตามใบหน้าเป็นเม็ดๆเลยทุกคนก็ได้ถามด้วยความสงสัยนักรองก็ตอบด้วยเสียงตะกุกตะกากบอกไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไร หลังจากขึ้นเวทีร้องเพลงเสร็จนะคะนักร้องท่านนี้ก็ไม่พูดไม่จากับใครเลยรีบบึ่งรถกลับทันทีแล้วก็โทรกลับมาบอกกับทีมงานว่าระหว่างที่ลงไปปัสสาวะเนี่ยเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่เลยแหละแล้วก็ดูที่หน้าตาเนี่ยนะคะออกไปทางแบบขาวๆแล้วก็เขียวๆช้ำๆยืนมองในขณะที่กําลังปัสสาวะอยู่นะคะหลังจากที่พวกลิเกทราบเรื่องค่ะก็เหมือนเป็นการจุดชนวนให้คุยกันถึงเรื่องนี้ในจังหวะที่ทุกคนกําลังจับกลุ่มคุยกันอยู่ พี่ผู้ชายที่เป็นคนแต่งตัวให้ลีเกยก็เดินมาถามบอกว่าคุยเรื่องอะไรกันทุกคนก็เลยเล่าเรื่องที่นักร้องนี่ไปเจอมาให้ฟังค่ะคนแต่งตัวให้ลิเกยได้ยินแบบนั้นก็ทําท่าตกใจและพูดบอกเฮ้ย mm. จริงเหรอเมื่อกี้มีใครเห็นบ้างมีผู้ชายตัวดำร่างสูงใหญ่มีโซ่ตรวนที่แขนขาเดินขึ้นไปบนเวทีอยู่ตรงหน้าพ่อแกอไม่มีใครเห็นเลยเหรอทุกคนในคณะเอาแต่สายหน้าค่ะพอนึกภาพตามที่ได้ยินก็รู้สึกขนหัวลุกกันทันที วันนั้นการแสดงก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่ลิเกเลิกนะคะพวกเด็กไฟแล้วก็เด็กเวทีก็จะมาช่วยกันเก็บของขึ้นไปบนนั่งร้านเก็บไฟที่แขวนไว้บนเวทีจังหวะนั้นค่ะมีเด็กคนหนึ่งมองลงมาที่หน้าเมนเผาศพปรากฏแนะะ่ว่ามีผู้ชายตัวดำร่างสูงใหญ่ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนเดินไปเดินมาอยู่หน้าเมนในความมืด พอเห็นเช่นนั้นเด็กเก็บไฟคนนี้ก็โยนทุกสิ่งทุกอย่างในมือกระโดดลงจากนั่งร้านวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะรุ่งเช้าทุกคนก็เลยลองไปถามกับชาวบ้านแถวนั้นดูชาวบ้านบอกว่าวัดที่นี่เนี่ยแรงมากมักจะมีคนพบเห็นวิญญาณอยู่บ่อยครั้งบางครั้งคนก็จะเห็นในลักษณะของผู้ชายที่มีแค่เครื่องลาตัวท่อนบนห้อยอยู่บนต้นไม้จ้องหน้าเขมร และก็ล่าสุดนะคะผู้ชายตัวดำๆคลานออกมาจากปล่องเมนเผาศพในเวลาโ r o p เพลจนผู้คนเริ่มไม่กล้าเดินไปป้วนเปี้ยนแถวหน้าเมนค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปจัดแสดงที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งกำลังจำเป็นต้องตั้งเวทีอยู่หน้าเมนเหมือนกันเพราะว่าความจำเป็นนะเนาะแล้วก็ได้มีพวกพี่ๆที่ชอบลิเกค่ะเอาวิดีโอมาถ่ายในขณะกาลังแสดงลิเกกันอยู่แล้วเอามาเล่นดู ตอนที่วิดีโอกาลังเล่นเหมือนกับว่ามีคลื่นสัญญาณมารบกวนก็เลยลองกรอวิดีโอกลับโดยที่เปิดวิดีโอไปด้วยภาพสุดท้ายที่เห็นค่ะเป็นรูปมือใหญ่ๆบวมๆห้อยลงมาจากหน้าเวทีทุกคนก็เลยพยายามหยุดวิดีโอตอนที่เห็นมือห้อยลงมาแต่ถ้าหยุดวิดีโอนี้แล้วจะไม่เห็นว่ามีมืออยู่ในวิดีโอต้องใช้วิธีกรอกลับอย่างเดียวนะคะจึงจะเห็นภาพมือบวมใหญ่นี้อยู่ในจังหวะสุดท้ายของวิดีโอค่ะ นี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่คณะลิเก๋นะคะไปเจอะเจอมาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังฟังกันไว้เพื่อความบันเทิงค่ะอะไรดีก็เก็บไปทําตามอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปทําตามนะคะเหตุการณ์ที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาค่ะ พี่เขยของคุณวานรับราชการตำรวจต้องไปเข้าเวรในช่วงเย็นของทุกๆวันแต่ว่าวันนั้นพี่เขยเกิดมีธุระด่วนก็เลยโทรหาพี่สาวให้ไปช่วยรับที่สอนอค่ะแต่ว่าพี่สาวเองช่วงนั้นก็กําลังเลี้ยงลูกแฝดอยู่การที่จะหอบลูกแฝดไปด้วยขับรถไปด้วยก็ดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็ลําบากพอสมควร ก็เลยได้ขอให้คุณวานี่ช่วยมาขับรถไปรับพี่เขยให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณวาแล้วก็พี่สาวพร้อมลูกแฝดก็เข้ามาถึงสอนอในเวลาประมาณหกโมงเย็นค่ะแต่ว่าลานจอดรถหน้าโรงพักเต็มหมดทุกช่องอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเย็นตำรวจที่ออกไปทําหน้าที่ต่างๆกลับเข้ามาที่สอนอกันหมดแล้วคุณวาก็เลยขับรถไปดูที่หลังสอนอ ก็เห็นเป็นลานจอดสําหรับรถที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ลานกว้างขวางมากจนสามารถบรรจุรถยนต์ได้เกือบ50คันแต่เมื่อลองวนหาดูก็พบว่ามันเต็มหมดทุกช่องเช่นกันค่ะคุณวาก็เลยไปจอดซ้อนคันที่ท้ายรถคันหนึ่งเมื่อดับเครื่องยนต์แล้วคุณวาก็เหลือบตามองดูที่รถตัวเองที่จอดซ้อนคันอยู่ก็คิดในใจบอกโอ้โหสภาพแบบนี้คนขับคงไม่น่ารอดเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยมันยุบเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับที่นั่งคนขับ ส่วนคันอื่นๆก็เช่นกันค่ะล้วนแล้วแต่ไม่สมประกอบทั้งสิน้นบางคันนะคะฝั่งที่นั่งข้างคนขับนี่หายไปทั้งซีกเลยก็ยังนึกเสียวขึ้นในใจไม่อยากคิดเลยว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถคันนี้เนี่ยใครกันเป็นผู้โชคร้ายนั่งข้างคนขับแต่ถ้าไม่มีคนนั่งก็คงจะดีรถบางคันนะคุณผู้ฟังบิดเบี้ยวจนดูดน่ากลัวค่ะคล้ายกับถูกชนเข้ากลางลำอย่างรุนแรงจนมันผิดรูปผิดร่างไปจากเดิม อุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์สลดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าผู้ขับขี่ทุกคนเคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจมีวินัยพร้อมกับมีสติและก็ช่วยกันรักษากฎจราจรมีเมตตาเอื้อเฟื้อให้กันสักนิดนึงพี่สาวได้กดมือถือหาพี่เขยนะคะว่ามาถึงสอน อ, นอกันแล้วแล้วก็ได้บอกว่าให้มาเจอกันที่บริเวณตรงนี้สักพักหนึ่งค่ะพี่เขยก็เดินเข้ามาหาแต่เมื่อมาถึงที่จอดรถพี่เขยนึกขึ้นได้ว่าลืมเอกสารไว้บนห้องก็เลยขอขึ้นไปเอามาก่อน แต่ว่าลูกชายฝาแฝดคนน้องคนที่ติดพ่อเนี่ยนะคะเอาแต่ร้องไห้จะตามพี่เคยไปด้วยก็เลยต้องอุ้มขึ้นไปด้วยแต่ว่าพี่สาวกลัวว่าลูกจะไปงองแงบนตึกก็เลยเดินตามขึ้นไปอีกคนนึงทิ้งลูกสาวฝาแฝดอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้พี่เนี่ยนะคะให้คุณวาช่วยอุ้มอยู่นะคะคุณวาก็อ่ะอุ้มหลานไปด้วยแล้วก็อยู่กับหลานกันแค่สองคนสักพักหนึ่งค่ะแฝดคนพี่นี่เห็นน้องชายแล้วก็พ่อแม่ขึ้นไปนานก็ร้องไห้ตามไปอีกคนคุณวาก็เลยต้องอุ้มมานั่งบนตัก เราก็ต้องคอยหลอกล่อชี้ให้ดูนั่นดูนี่เพื่อให้เด็กเงียบแต่เมื่อคุณวาชีไปที่รถกระบะคันนึงค่ะที่จอดอยู่เยื่องๆกันปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนช่างใส่เสื้อสีกรมตัวผอมๆหน้าหแหลมๆออกสีคล้ำๆกม้กมๆเงยๆ เ, เหมือนกําลังหาอะไรอยู่ในรถนะคะคุณวาก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะเขาไปนั่งอยู่ในนั้นทําไมกําลังหาอะไรอยู่แล้วมาตอนไหนเพราะว่าคุณวาไมแ่แน่ใจเลยนะคะว่าทีแรกเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยในบริเวณนี้ ผู้ชายคนนั้นค่ะก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาของก้มหรือก้มรื อ, รอตรงนั้นทีตรงนี้ทีคุณวาก็จ้องมองดูด้วยความสงสัยอึดใจต่อมาค่ะผู้ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็จ้องมาทางคุณวาทําลู ก, กตาโตเหมือนคนที่กําลังเพ่งมองอะไรสักอย่างคุณวารู้สึกตกใจเนียคะกลัวว่าจะเป็นการเสียมารยาทที่ไปมองเขาแบบนั้นแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆยยื่นหน้าขึ้นมาแล้วก็เอาใบหน้าแนบกับกระจกหน้ารถคล้ายกับพยายามจะมุดผ่านกระจกออกมาค่ะ เมื่อคุณวาเห็นเป็นแบบนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีก็รู้สึกตกใจกลัวเอามากๆคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนั้นถึงต้องทำอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยจนคุณวาเริ่มสังเกตเหต็นนะฮะว่าดวงตาที่ใหญ่โตของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันมีสีออกเห ล, ลืองๆคุณๆเหมือนคนที่เป็นโรคอะไรสักอย่างใบหน้าแห้งตอบแก้มโหลลึกมองดูดีๆมันเหมือนศพที่ถูกแดดเผาจนแห้งมากกว่าจะเป็นคนปกติ ความกลัวปนความสับสนงุนงงต่างๆเริ่มพลั่งพรูเข้ามาค่ะแล้วก็คิดอยู่ตลอดไว้ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงมีลักษณะผิดปกติแบบนี้เพราะดูยังไงมันก็เหมือนศพมากกว่าจะเป็นคนแล้วไหนจะอากับกิริยาที่แปลกๆนั่นอีกคุณวาก็นั่งตัวสั่นกอดแฟดหญิงไว้แน่นแล้วก็ก้มมองลงต่ำเพราะว่าสายตาที่เขาจ้องมองมนเนี่ยมันทาให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ ถ้าไม่ติดว่าอุ้มเจ้าตัวเล็กอยู่ด้วยก็คงจะวิ่งหนีขึ้นไปสอ น, นอแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงกับสถานการณ์แบบนั้นสักพักหนึ่งพี่สาวกับพี่เขยก็กลับมาค่ะทําให้คุณวาหายใจได้ทั่วท้องแล้วก็รีบชี้ไปที่รถกระบะคันนั้นแล้วก็พูดปากสัน่นบอกเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมพี่สาวมองไปตามที่คุณวาชี้แล้วก็พูดแล้วทําหน้างงๆเห็นอะไรคุณวารีบพูดบอกคนน่ะคนที่นั่งอยู่ในรถน่ะเห็นไหม พี่เขยก็เลยพูดขึ้นว่าใครมันจะไปนั่งอยู่ในซากรถแบบนั้นแล้วคุณวาก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเร่งให้ทุกคนขึ้นรถแล้วรีบเหยียบออกจากที่ตรงนั้นทันทีค่ะในระหว่างที่กาลังขับรถอยู่คุณวายังไม่หายจากอาการหวาดกลัวก็เลยถามพี่เขยว่าพี่เป็นไปได้ไหมที่จะมีคนไปนั่งอยู่ในรถรถคันไหนล่ะก็รถกระบะคันสีขาวที่จอดอยู่ในอ่าอยู่ข้างหน้าไปหน่อยนึงไง มันจะเป็นได้ยังไงใครเขาจะไปกล้านั่งรถที่จอดอยู่เนี่ยมีคนตายในรถทั้งนั้นและกุญแจรถทุกคันอยู่ที่สอนอคุณวานได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกจุกที่อกค่ะรู้สึกได้เลยว่าขนมันเริ่มชี้ตั้งขึ้นอีกครั้งภาพของผู้ชายคนนั้นยังคงตามมาหลอกหลอนอยู่ในหัวพี่เคยขำแล้วก็พูดบอกเออมันไม่แปลกหรอกที่จะเจอสําหรับที่เนี่มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเจอกันแทบทุกวันจนไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามาใกล้ที่นั่นหรอกก็ยังคิดอยู่ว่าเข้ามาจอดทําไมในนั้น อแล้วเจ อ, อยังไงอ่ะพี่พี่เขยก็เลยเริ่มที่จะเล่าเรื่องนะะบอกว่าเป็นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเวลาที่เข้าเวร เ, เนี่ยจะเป็นช่วงดึกมกักจะได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องทำงานตลอดแบบก๊อก ๆ, ๆหมุนลูกบิดก็แก๊กก๊แ๊แต่ทั้งทางที่ประตูมันก็ไม่ได้ล็อกนะก็เลยตะโกนไปบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นคนไหนมากแกล้งนะโดนแน่แกก็เลยไปยืนรออยู่ที่ประตูค่ะเมื่อเสียงเคาะดังขึ้นแกก็กระชากประตูทันที แต่ว่าทันทีที่แกประอ่ากระชากประตูเสร็จนะคะหน้าห้องปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่เลยสักคนหนึ่งแกก็เลยยืนมองซ้ายทีขวาทีอยู่นานจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอวันนี้เข้าเวรอยู่คนเดียวนี่หว่าเหตุการณ์แบบ น, นี้เกิดขึน้นทุก ว, วันค่ะแล้วก็หนักขึ้นหน่อยถ้าเป็นวันโกรนบางคืนตำรวจที่เดินเอาขยะไปทิ้งแถวหลังสอนอ น, อนะเล่าบอกว่าเห็นเหมือนมีคนแขนขาดตัวไม่เตรียมนั่งอยู่บนหลังคาซากรถตุ้นลูกตาสีขาวจ้องมองด้วยหน้านิ่ง แต่ว่าถ้าใครจิตแข็งหน่อยค่ะก็จะทำเป็นไม่สนใจแต่ถ้าใครขวัญอ่อนเจอแบบนี้ในวิ่งกระเจิงเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ประจำอยู่ในตึกเก่าซึ่งตึกแห่งนี้เนี่ยจะมีห้องขังอยู่ด้วยแต่ว่าในส่วนของห้องขังเนี่ยได้ถูกปิดใช้งานไปนานพอสมควรแล้วบางคืนนะคะที่เข้าเวรมากได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากในโซนของห้องขังแต่เมื่อเดินไปไล่ดูแต่ละห้องแต่ละห้องก็ไม่พบใคร เมื่อก่อนนี้โซนห้องขังนี่มักจะมีนักโทษผูกคอตายอยู่หลายคนจนถูกปิดใช้งานในเวลาต่อมาค่ะแม้แต่แม่บ้านเองก็ไม่กล้าเข้าไปทำความสะอาดเพราะว่าเคยมีแม่บ้านพบเจอศพคนผูกคอตายกับลูกกรงห้องขังจนสลบไปหลายคนค่ะ แต่เมื่อทุกคนวิ่งเข้ามาดูก็พบว่ามีแต่แม่บ้านนะที่นอนอยู่กับพื้นไม่พบศพตามที่แม่บ้านเห็นที่โซนนี้ก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้ามาจนถูกฝุ่นจับหนาเตอะนะคะแล้วก็มียหยักย้ายเกาะระยงระย่างข้างฝานี่ก็มีคาบราดำๆขึ้นจนดูน่ากลัวน่าขนลุกนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เจอผีกันในสอนอหรือว่าสถานีตำรวจทางภาคเหนือคะ่ะ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 ดังนั้นที่นาของเขาก็เลยอุดมไปด้วยปลาในหน้าฝนคุณจาปาเล่าว่าพอหน้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ปลาลงผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆทั้งใกล้และไกลก็จะหลั่งไหลามาจับปลาที่ฝายปลายนาของเขานับจำนวนมากมายเป็นร้อยคนพันคนขึ้นไปในแต่ละปีสำหรับตัวของเขาเองนั้นก็หายห่วงค่ะเพราะว่าในแต่ละปีนียทาทั้งปลาด้าปลาย่างลมควันทาไว้ขายปีละมากๆหลายหายหลายหาบนะคะ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 พอเจ้าของนาได้ฟังก็ตาลุกวาวละค่ะก็เลยเออ อ, อขอเอียวด้วยคนแค่นั้นไม่พอนะคะก็ได้มีเจ้าของนาใกล้ๆกันอีก2รายเดินมาประสบเหตุเข้าเมื่อทราบความก็เลยขอร่วมวงอีกก็เลยกลายเป็น4ีแรงแข่งขันเมื่อขุดลึกลงไปประมาณเมตรเศษก็เจอสมบัตินั้นตรงตามความฝันทุกอย่าง